ต่อในไปพึงพากันตั้งใจใจนี่มันไม่ค่อยตั้งขอจะล้มไปตามอารมณ์ต่างๆดังนั้นการฝึ ก, กจิตใจจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใจตั้งมั่นแล้ว ยอมรู้แจ้งตามเป็นจริงถ้าใจไม่ทั้งมั่นแล้วรู้แจ้งอะไรก็ไม่ได้การที่คนเราท่องเที่ยวอยู่ในสงสารไม่รู้จะจบลงได้การเนื่องมาแต่จิตไม่ตั้งนั่นเองเนี่ย เมื่อจิตไม่ตั้งแล้วมันไม่รู้แจ้งในโลกนี้ตามเป็นจริงมันก็หวงก็ห่วงโลกอันนี้แม้ว่าจะมีโรคภัยเบียดเบียนอยู่อย่างไรมันก็ยังหวงอยู่บางคนนะไม่เบื่อแต่บางคนก็อาจจะเบื่อ เบื่อชีวิตเบื่อความเป็นอยู่ถ้าเบื่อแล้วมันก็คายความยึดความถือเหมือนอย่งเราเบื่ออาหารเมื่อเบื่ออาหารอย่างใดอย่างหนึง่งเนี่ยหา ก, กว่าเคี้ยวอาหารอยู่ก็คลายทิ้งไม่เกินลงไปในท้องได้ พาอรู้ว่าอาหารนั้นมันมีพิษ อ, อันนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยรู้ว่าผัดนังห้านี่นะมันมีพิษร้ายแรงมีพิษต่อจิตใจเพราะว่ามันไม่เที่ยง มีโรคภัยเบียดเบียนมีโรคภัยเบียดเบียนกระทบกระทั่งกับจิตนีอยู่เสมอเหตุนั้นผู้มีปัญญามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงเบื่อหน่ายเพราะมันเป็นอยู่ด้วยความ ยากลําบากนี่หละการภาวนาก็ขอยพากันพิจารณาพิจารณาให้มันเห็นสิ่งที่ควรเบื่อหน่ก็เบือ่อหนอืมแต่คนส่วนมากโมเ ม, ม, มาประมาท ไม่ได้พิจารณาสิ่งใดที่ควรจะเบื่อหน่ายมันก็ไม่เบื่อหน่ายแม้ว่าจะเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างไรมันก็ทนทุกข์ทรมานไปตามอาการนั้นๆซึ่งมันจะทวนกระแสจิตกลับเข้ามา พิจารณาแล้วพงละ ว, วางนี่มันไม่ค่อยมีอะนี่น้อยที่สุดเลยและนั้นทุกคนขอยพากันตั้งอยู่ในอปประมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทมีสติสำบัญญา รลึกเข้าไปหาจิตใจอยู่เสมอข้อนี้แหละสำคัญส่วนมากคนลืมจิตลืมใจตัวเองตัวเองลืมตัวเองหมายา็ว่างั้นแหะจิตลืมจิตมเมื่อมันลืมอย่างนี้แล้วมันก็ควบคุมไม่โย มันก็ปล่อยให้กิเลส จ, จูงไปตามประสงค์อย่างนั้นดังนั้นคนเราบนถจงในเป็นทุกข์เดือดร้อน <c oughs> เป็นนักบวชเมื่อใจไม่ตั้งใจอ่อนแอะและแหละมันก็ปล่อยให้กิเลสมัน จ, จูง ให้ศึกษาลาเพ็ออกไปเข้าใจว่าเมื่อศึกไปแล้วไปแสวงหากรร ม, มคุณได้สมวงแล้วตนจะมีความสุขการไปนั่งบวดอยู่นี่คล้ายๆกับว่ามันแห้งแล้งไม่ชุ่มชื่นอะไรก็ดีเหมือนกับว่าเพืดต่างๆไม่มีปุ๋ยใส่ แล้วก็เลยสูบชีไปความรู้สึกของนักบวชผู้ระมาทมันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยอยู่ในที่สงบสงัดอย่างนี้แล้วก็ยิ่งหงอยเหงาจิตยิ่งพุ่งสัานผู้ระมาทแล้วถ้าผู้ไม่ระมอาจอะ อยู่ในที่สงบสงัดได้เท่าไดยิ่งดีหลายยิ่งได้ทำความเพียรพยายามทําใจสงบระงับได้ดีมากเพราะมันสงบไม่มีเสียงอึกทึกคึกโคมมากระทบกระทั่งเป็นอย่างนี้แหละคนเรามันจึงมากมายอยู่ในโลกอันนี้มันเกิดมาหลายก็เนื่องมาแต่ มันไม่เห็นโทษแห่งชีวิตแห่งความไม่เที่ยงของสังขารเกิดมาแล้วตรงมาหาเลี้ยงมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากปันนั้นมันก็ไม่เบื่อกันกลัวจะได้เข้าของเงินทองมาบำรุงอัตภาพอันนี้ก็ แสนยากแสนลำบากบางคนหายัางไงมันก็ด้ดยทางสุจริตไม่ได้แล้วก็มุนไปทางทุจริตซ่องสุมกันเป็นโจรไปเที่ยวจี้เที่ยวปล้นอา้าวเจ้าหน้าที่เขาจับได้เดี๋ยวก็ไปติดคุกติดตารางทนทุกข์ทรมาน อยู่ในคุกในตารางไม่มีอิสระเสรีอะไรเลยดังนั้นให้พากันคิดให้ดีพากันพิจารณาให้ดีเราได้ขึ้นมาสูงแล้วอย่าลงไปทางต่ำพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้ว่า บุคคลผู้หมกมุ่นอยู่ในกามาคุณไม่รู้จักอิ่มเส่นนี้เนี่ยก็เหมือนกันกับบุคคลที่ตกลงไปในหลุมมูดหลุมพุทธเมื่อบุคคลผู้ที่มีความคิดความอ่านตนตกลงไปหลุมมูดหลุมพุทธ เช่นนั้นแล้วก็จะยอมแช่ตอยู่ในนั้นตลอดไปมันจะได้เหรอเมื่อต้องตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมอันสกกปลกอัน น, นั้นเมื่อขึ้นได้แล้วก็ไปชำระล้างตัวให้สะอาดหมดจดหมดกลิ่นต่างๆ ด้วยดีแล้วก็เอาผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ๆ ม, มานุ่ง ม, มาห่มเข้าไปเช่นนี้แล้วผู้นั่น่ะจะอยากกลับลงไปสู่หลุมมูดหลุมคูนัานอีกเหรอไม่แล้วไม่ปรารถนาแล้วฉันใดผู้ที่มี วาสนามีปัญญาเมื่อได้บวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วก็เอากายวาจาใจของตนให้ห่างไกลจากกิเลสการรมวัตถูกากรรมแล้วแล้วมาบำเพ็ญสมถะอิปัสสนาเข้าไปทำใจสงบ อบรมจิตให้รู้แจ้งสังขารร่างกายนี่ตามเป็นจริงว่าสังขารร่างกายนี่เต็มไปด้วยแต่ความทุกข์ทนได้ยากลำบากเมื่อเป็นผู้ที่ไปมุกมนอยู่ในกามกคุณนั้นยิ่งลำบากไก่ ยิ่งเป็นทุกข์หลายหากได้พ้นจากกา ร, รมคุณนั้นเข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วถ้าเป็นผู้ไม่พมาดก็จะไม่หวนกลับไปหามันอีกเมื่อเวลามันกระสันขึ้นมา ก็หวนนึกถึงความทุกข์ที่ตนได้สัมผัสกับมันมาจนแต่ก่อนมาบวชมันเป็นทุกข์อย่างไรก็หวนนึกพิจารณาดูเงินทองหามาได้นิดๆนหน่อยๆก็ไม่พอใช้พอซ้อย อาหารการกินเมื่อมีเงินน้อยอาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์ก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงอัตภาพนี้ก็สร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองมากมายนี่แหละบุคคลผู้ที่ ประมามแม่หนี้ออกจากกรรมคุณมาแล้วก็ยังไม่ไวายกละจะกลับไปหามันอีกเมื่อก็ไปทำบาปของเก่า น, นั้นแหละทำบาปแล้วบาปก็นำไปสู่ทุกข์ในในรกอบา ย, ยภูมิถ้าผูใ้ใด ไม่เชื่อเพราะปัญญาตรัสรู้ของอุเทเจ้าก็ก็จะปฏิเสธเรื่องว่านรกนี่แหละเฮ้ยนรกที่ไหนมีอยู่นั้นถ้าไปเห็นไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาบวชหรือไม่จำเป็นต้องมาปฏิ ญ, ญาณตนถึงระพุะทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเลยอืม เป็นกระหัดก็ดีเพราะว่าพระพุเทธเจ้าทรงตัดสรุ้แจ้งแทงตลอดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพระนิพพานในพระองค์ก็รู้แจ้งหมดนำมาแสดงให้พุทธศาสานิกชนทั้งหลายฟังทั้งนี้เพราะเหตุว่า สาเหตุที่พระ อ, องค์จะรู้แจ้งได้ก็เพราะพระ อ, องค์สร้างบา ร, รมีมานานแสนนานนับชาติไม่ทวนเลยกว่วจะได้สัดสรู้กว่าจะรู้แจ้งโลกทั้งสามมันให้ทำไม่จริงตลอดถึงพระนิพพานอย่าต้องคิดดูให้ดีซึ่งไม่เหมือนอย่งางศาสตาอื่นนะาศาสนราลัทธิอื่น เขาสมมติกันขึ้นเอาเองนะโดยไม่ต้องสร้างบารมีอะไรให้มากมายแนละ้วความรู้เขาก็ไม่ไม่สามารถจะรู้จริงเห็นแจ้งอะไรได้เดาเดาไปอย่างนั้นนะเช่นอย่างเดาไปว่าโลกนี้พระเจ้าเป็นผู้สร้างนี่นะแล้วมันจะมีเหตุผลเพียงพ อ, อยังไงอนะ่ะ พระเจ้าอะไรถึงจะประมีอำนาจมาสร้างแผ่นดินสร้างน้ำแม่น้ำลำคลองต้นไม้ใบหญ้าสร้างสัตว์สร้างคนอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นมานงี้ืมันเหลือไ้ไถยเหมือนเบสเดท่นานผู้มีฤทธิ์มีเดช อันมีฤิ์ดั้นท่านก็แสดงได้ชั่วคราวเท่านั้นเองเนี่ยไม่ใช่แสดงมาแล้วมันยั่งยืนตลอดไปฤทธิ์ทั้งหลายนั่นเพื่อแสดงได้ให้คนดูให้คนรู้คนเห็นแล้วก็คลายฤทธิ์เสียคลายฤทธิ์แล้วเรื่องต่างมันก็เงียบไปเป็นปกติ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ฉันใดโลกอันนี้ก็ไม่มีใครสร้างมันมันเกิดเองเป็นเองขึ้นมาโดยธรรมชาติถ้าหากว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกอันนี้จริงๆ ธรรมด า, าเป็นพระเจ้านี่เป็นพุท ธ, ธเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยก็ไม่ควรที่จะสร้างมนุษย์สร้างสัตว์ให้มาเบียดเบียนกันและกันให้เป็นทุกข์วุ่นวายมาไม่รู้จะจบจากสิ้นเลยตั้งแต่มีโลกอันนี้มาตั้งแต่มีมนุษย์ตั้งแต่มีสัตว์เดรัจฉานอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ย นี่แต่ความวุ่นวายอยู่เนี่ยฆ่ากันรบลาฆ่าพันกันตายเป็นแสนเป็นล้านอันมูนี้นะลองคิดดูสิพระเจ้านั่นจะมีคุณธรรมอะไรล่ะถ้าพระเจ้าสร้างพระเจ้าก็มีกิเลสลรวไปสร้างมนุษย์ัตว์ให้มากินกันเบียดเบียนกันมันไม่สมเหตุสมผลเลย ลองคิดดูให้ดีสำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายพระองค์ได้สร้างบา ร, รมีมาสี่อสงไขยปลายแสนมากับจึงค่อยเต็มเมื่อบา ร, รมีเต็มแล้วก็จึงมาเกิดในโลกอันนี้เมื่อเกิดมาแล้วถึงเวลา บุญบารมีที่สร้างมานั้นจะพึ่งอำนวยผลให้แลว้วก็โดนบันดาลให้พระองค์มองเห็นความเป็นอยู่ในโลกนี้มีถึงความวุ่นวายมีถึงความขัดข้องมีถึงความทุกข์เส้นทรงลำพึงก่อนจะออกบวชเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายในการ แก่เจ็บตายไม่ใช่มันเป็นสุขสบายมันมีแต่ทุกข์ทำยังไงหนอเราจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็ทรงดำริในพระทัยอย่างนี้ยก็จึงได้รู้ขึ้นมาว่าก็บวดท่านนั้นแหละสละโลกียทรย์ทุกสิ่งทุกอย่าง นี้ออกไปบวชทำตวเป็นคนผู้เดียวใจเดียวไม่ก่อเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกสมมุติว่าเป็นที่น่ารักให้พอใจทั้งต่างเหล่านี้มันเป็นความหลงความเข้าใจผิดของบุคคลผู้มีอวิชชาหุ่มหอจิตใจทางหัก ที่สําคัญว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมบัตินี่ว่าเป็นของสวยของงามน่ารักให้พึงใจน่าเชยชมน่าแสวงหาเป็นความหลงของจิตใจต่างหากเพราะว่ า, วารูปเป็นต้นเมื่อเวลาแสวงหาก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว กว่จะได้มาเมื่อได้มาแล้วก็มารักษาปกครองรักษาดูแลก็เป็นทุกข์อีกดีไม่ดีก็เขาจี้เขาพ่นเขาแย่งสิ่งเอาไฟเสียเองเป็นทุกข์หลอ้าวนั่นยังไม่พอเวลาจะรู้ว่าตนจะ พ, ดพดัดภาคจากของรักของชอบใจ เหล่านั้นแล้วก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายสมบัติในโลกนี้บุคคลแสวงหาสมบัติในโลกนี้ย่อมเป็นทุกข์อยู่ในสามการนี้พระพุพเทธเจ้าทรงสแสดงไว้แล้วนั้นเหละเราผูกปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคนน้อมเข้ามาพิจารณาสิ ขามาพีนามันเห็นแจ้งด้วยปัญญาของตัวเองมันเป็นความจริงนี่หรือไม่จริงอะ่ะนั่นนี่ลองถามดูตัวดัวถามตัวเองดูสิการเสวงหาเงินทองก็ของอะ่ะมันเป็นสุขสบายหรือมันเป็นทุกข์นั่นนแล้วอีกอย่างหนึง่ง เรายงหาเข้าของเงินทองของเครื่องบำรุงร่างกายสังขาร น, นนี้ให้อยู่ดีกินดีมีความสุขแต่เมื่อเวลาร่างกายนี่มันวิบัติมาโรคภัยเบียดเบียนมีความสุขเหลือมีอาคารสถานที่อยู่โอโทง มีเฟอร์นิเจอร์เครื่องอำนวยความสะดวกสบายเครื่องประดับประดาอะไรมากมายกายค้องนั่นมันก็เมื่อเวลาโลครคภัยไขเจ็บเบียดเบียนมาแล้วก็ไม่มีความสุขเลยอาหารอร่อยพันใดพันใดนั่นก็ กลายเป็นอาหารอันจืดชืดไปเลยไม่มีรสไม่มีชาติอะไรอันนี้แหละควรพากันพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเล้วมันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อนายพะมองดูอันใดก็มีแต่เรื่องก่อให้เกิดทุกข์ทั้งนั้น ถึงเป็นสุขก็สุขชั่วคราวเท่านั้นเองชั่วสร้างพับหูงูแลบลิ้นหน่อยหนึ่งก็กลับเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วดูทะร่ า, างกายอันนี้ก็แล้วกันเนี่ยเกิดขึ้นมาเวลายังหนุ่มยังสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมา <c oughs> กำลังวังซายอย่างดีเต็นสามศอกออกสามวาได้สบายๆกินได้นอนหลับด <c oughs> ีเดินเหินไปมาทางไหนก็คล่องแคล่วไม่อืดอาดยืดจยัดเินเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนวัยชราเข้าไปแล้ว าการเช่นนั้นก็หายไปความสำรุดสุดทรมความอ่อนแอของร่างกายก็เกิดขึ้นมาแทนทุกข์ก็ยากนางก็ยากเพราะว่าแข้งขาอันใดก็อ่อนแอลงไปหมดสุดโทรมไปอาหารก็ไม่มีรสดมชาติ เมื่อเหมือนเมื่อเวลายังวัยหนุ่มวัยกลางคนนอนก็ไม่หลับไม่หลับพอควรแก่ร่างกายหลับก็หลับไปพอประมาณนั้นแหละอันบนนี้นะควรคิด ค้นดูให้รู้ให้เข้าใจถ้าไม่คิดมันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีมีมันก็มันก็ไม่รู้จิตไม่คิดอ่ะเจ็บใครได้ป่วยร้องคนคลางก็ร้องด้วยใชยเมื่อมันไม่คิดไม่วิจารณ์มันก็ไม่เกิดความเบื่อหน่ายมีแต่โศกสกเสียใจพิไลธําพันอยู่ เท่านั้นทางที่จะคิดว่าทำอย่างไรหนอเราจะพ้นจากความเจ็บความทุกข์เหล่านี้ไม่มันไม่ได้ทวงกระแสจิตไล่ไม่ได้คิดถ้าผู้มีปัญญาันก็คิดแล้วนีออ่รูปร่างกายอันนี้เป็นอนาตาไม่ใช่ใจของเราบังคับไม่ได้ไม่ผิดไปตามใจหวงัง เราจะมาถือมันเราเป็นของเราได้อย่างไรควรปล่อยควรวางตามสภาพของมันเอาถ้าไมชใช่ของเราทำมไมย่างมาเกิดกับมันมาใสายมันทั้งนี้ก็เพราะมันไม่รู้ น, นั่นเองทั้งในชาติก่อนนวนหลังมามันก็หลงสำคัญว่าร่างกายนี้เป็นของเราอยู่อย่างนั้นจะชาติใดพบใดที่ร่วงแล้วมาก็ดี ก็เพราะฉะนั้นมันจึงได้มาเกิดอาศัยร่างกายอันนี้อยู่เนี่ยเนื่องจากว่ามันหลงมันไม่เห็นแจ้งตามไปจริงถ้ามันเห็นแจ้งตามไปจริงว่าไม่ใช่ของเรามาแต่ก่อนนู่นป่านนี้มันพ้นทุกข์ไปแล้วพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไปแล้วแบบ น, นี้ เมื่อเกิดมาชาตินี้ได้ฟังคำสอนของผู้เทธเจ้าแล้วอย่างที่แสดงให้ฟังมาอยู่นี่เนี่ยหากว่าผู้ไม่พำหมาแล้วน้องเข้าไปคิดไปกรองพิจารณาอยู่เสมอเสมอความรู้แจ้งอันนี้มันก็ค่อยกระจ่างออกมามันมันพิจารณาไปบ่อยความรู้นี่นะมันก็ แยมแจ้งก็ไปเรื่อยๆหมายความว่าอย่างนั้นถ้าไม่ค่อยมันพิจารณาแล้วมันไม่ค่อยรู้รู้ก็รู้ไม่แจ่มไม่แจ้งอืมให้เข้าใจอยงนั้นเราต้องมันพิจารณาต้องน้อมกายน้อมจิตไปในความสงบ อย่าปล่อยจิตให้เพลินให้เมาเป็นนักบวชเนี่ยไม่มีภาระผูกพันอะไรมากมายหนักหนาพอที่จะให้ดิ้นรนกระวนกระวายนี่เป็นนักบวชนี่นะเพราะเป็นผู้เบามีภาระอันเบามากอย่างนี้มีโอกาสที่เราจะได้ น้อมสติเข้าไปควบคุมจิตทำจิตให้สงบระ ง, งับลงไปได้โดยสะดวกโอกาสมีเต็มที่เลยถ้าผู้ไม่ประมาทแล้วนะเบ่งั้นแล้วผู้คลองเรือนทั้งหลายเขาก็เต็มใจสนับสนุนสำหรับผู้ที่ มีศรัทธาแรงกล้ามีปัญญามีความเพียรเด็ดเดี่ยวไม่ก่อเกี่ยวกับโลกียสุขอันนี้และผู้ที่เขาทำไม่ได้เขาก็ยินดีผู้ใดทำได้เขาก็อนุโมทนาสาธุยินดีสนับสนุนก็อย่างที่เรา มาบวชกันอยู่อย่างทุกวันนี้แหละอา่าที่อยู่ที่อาศัยอันใดก็ผู้มีศรัทธาทั้งหลายเขากดบริจาคทรัพย์มาสร้างถวายอาหารการบริโภคอันใดก็ดีเขาก็คขข้นคว้า อุปธรรมบำลงไม่อดไม่อยากเพราะว่าเป็นนักบวชนี่เรามักน้อยพระพุทธเจ้านั่นเป็นตัวอย่างมาพราะองค์ก็ฉันวันละมือวันละมือเท่นานชาวบ้านเขาก็บำลงเลี้ยงไม่ไหวเขาก็ยอมวางทอดทุระไปเลยและนีนที่เขา มีความสามารถทนุบำรุงได้อย่างนี้ก็เพราะเห็นว่าเราพากันสันมือเดียวเท่านั้นเองมันก็ไม่เป็นภาระอันหนักแก่ผู้อุปถัมภ์บำรุงเนี่ยมันบรรเบาทุกอย่างเป็นการเป็นนักบวชนี่นะถ้าเราสละความมักให่ไฟสงูง ความเสเยอทะยานในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆนี้ออกไปแล้วมันก็เบากายเบาใจจิตใจก็ไม่นักนวลร่างกายก็เบาเพราะว่าไม่ได้ทานอาหารมากมันก็ไม่อืดอาดยืดยาตเน้วก็ไม่ได้ทำงานหนักงานหนาอะไร ดังนั้นเพียงขอบฉันวันละขาบเท่านี้แ้วกอบอยู่ได้ร่างกายก็อยู่ได้ไม่ไม่อ่อนเพียและเหียใจเพราะหิวอาหารเกินประมาณไม่มีถ้าเป็นเช่นนั้นนะใครจะบวชอยู่ได้ร่างกายก็ย่อมสู้พร้อมลงไป มันก็จะมีชีวิตยอยู่ได้อย่างไรอันนี้ปรากฏว่าเพื่อนผู้บวชมาแต่ยังหนุ่มชานอาหารมือเดียววันละมือวันละมือมาจนว่าเท่าว่าแก่ก็ไม่เห็นว่าสูร้อมอะไรยิ่งไปกว่าชาวบ้านผู้เคยมีร่างกายว้นทวนก็อ้วนทวนยัว ผู้ที่มีร่าง ก, กายสู้ผอมก็เป็นธรรมดาตั้งแต่ก่อนบวชก็ยังผอมอยู่แล้วบวชเข้ามามันก็ผอมอยู่แล้วเนี่ยกรรมมันตกแต่งอันนี้เราพิจารณาดูให้ดีมันเป็นในความเบาทั้งหมดการเป็นนักบวชนี่เรียกว่าเราปรงภาระอันหนักลงไปเยอะแยะเลย ภาระการสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่อาศัยให้เทียมทันกับคนอื่นเขาอุนี้เป็นภาระหนักภาระการแสวงอาหารหาอาหารมาหล่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอันนี้ก็เป็นภาระหนักไม่ใช่น้อย ภาระของการสังคมอะไรทออะไรในโลกนี่พอเราอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้ต้องมีหมู่มีคณะมีพักมีพวกมีญาติกาวงสาร่วมสุกร่วมทุกกันทุกข์กับทุกข์้วยกันสุข ก, กับสุข้วยกัน เนี่ยล้วนแต่มันแบกภาระหนักทั้งเลยการเกิดมาในโลกอันนี้นะถ้าเป็นผู้ครองเรือนแล้วยิ่งเป็นภาระหนักมากถ้าได้สลัดขาบของความเป็นผู้ครองเรือนออกมานุ่งห่มผ้ากาสาวพัยินดีในบริขารแปดซึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทานให้เท่านี้ มันก็เบาลงฮะนี่นั่นเอแต่ไม่ได้ภาวนากจริญธรรมไทยปัฒนาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเข้าไปพลงร่างกายสังขารนี่ลงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราเย่งเบาใหญ่เิตใจปอดกงเบาไม่หนักไม่รวงไม่อึด ไม่อึดอัดอะไรเลยด้วยเหตุนี้เนละองสมเด็จพระพูมิภาคเก้าจึงได้ทรงสรเสริญการบรพฤษพรหมจันท์นี่นะว่าเป็นความบพฤิอันประเสริฐไม่มีความบพฤิอันใดที่จะประเสริฐเท่า การประพฤติพอไม่ชันหรือยิ่งกว่าไม่มีอะไรเนยนั้นขอให้พากันเข้าใจว่าเราได้มาบวชอย่างนี้แล้วมาเป็นลาบอันประเสริฐของเราเราจะได้พยายามปรงภาระอันหนักอา้าวปรงภาระอันหนักภายนอกเช่นการคลองเรือนเนี่ย พงได้มาแล้ววั น, นี่ได้จนได้มาบวชบวชมาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะพงไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างหาไม่ได้มันก็พงแต่ละจากเพศคารหัดจากการคองเรือนมาเป็นนักบวชในขั้นหนึ่ง ต่อเมื่อบวชมาแล้วได้มาเรียนตรสิกขาคือสินสมาธิปัญญาแล้วเข้าใจข้อปฏิบัติ ด, ดีแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติทำสินให้บริสุทธิ์อย่าทำสินให้ด่างให้พร้อยให้ขาดอันนี้ก็นับว่าเป็นหลัก ทำประกันไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากในขั้นหนึ่งแล้วผู้มีสินก็คือผู้ไม่ทำบาปนั่นเองเมื่อไม่ทำบาปแล้วก็เบาไม่นักแล้วไม่นักกายหนักใจขั้นที่สองมาเจริญสมาธิหรือสมาธะ พยายามเพ่งจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบนิวรณห้าดับไปอา้าวก็ยิ่งเบาขึ้นความรู้สึกในจิตใจนี้เบาปลอดโปร่งขึ้นกว่าเกา่านั่นยังไม่อพอก็เพียงในความสงบนิพินสงบจิตเพียงแต่ว่า จิตนิไปสงบลงไปทับกิเลสอยู่เท่านั้นเองกิเลสมันก็เลยดิ้นขึ้นมาไม่ได้อืมแต่ขั้นพอสมาธินี้ถอนออกสม า, ากิเลสมันก็ตามหลังมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายัางทรงสอนให้เจริญปัญญาอืเจริญปัญญาค้นคว้าหา เอธาผลทำไมจิตนี่มันจึงไปรักรักอย่างนั้นห่วงอย่างนี้ต้องการปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะขันท่านี่ทำไมมันจึงห่วงนางนามันจึงห่วงใครด่าก็ไม่ได้ใครตาหนิติดใจน้อยหนึ่งก็ไม่ได้ลุกเป็นพื้นเป็นภัยขึ้นเลยจิตใจ ใช่พัญญาค้นคว้าหามันมันก็รู้ได้โอ้พอมันถือว่ามีตัวมีตนนี่แหละอันนี้และไม่ใช่อย่างอื่นได้มันสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนตของตนจริงๆสำคัญว่าตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเราอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทุกส่วนของเรา ความสำคัญผิดคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้มันวิบัติแปรปรวนไปเอาแล้วบันี่เป็นทุกข์เดิดรอนแล้วนั่นน่ะเรียก ว, ว่าความเป็นผิดเป็นชอบจากความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมาถือว่าเป็นของเราเพราะมันไม่เที่ยง ควรวางอเวกขาลงไปทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งต่อธาตุสี่ขันธน์นี้นี่แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้เมื่อเราหมั่นภาวนาปรงวางขันธ์หน้านี่บ่อยๆไอ้จิตที่มันก็เป็นอุเบกขาลงไปล้วนี่ มันก็เป็นกลางความรู้สึกนี่นะมันก็เป็นกลางข้อนี้ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็จึงจะรู้นะจะให้ผู้อื่นรู้ให้พยากรณ์ให้ไม่ได้ต้องทําจิตตัวเองให้เป็นกลางด้วยตนเองเ อ, อแล้วก็รู้ว่าจิตตัวเองเป็นกลางต่อสรรพสิ่งทงกวงในโลกนับแต่ขันหน้าเป็นต้นไป เนี่ยมาทําจิตเป็นกลางได้อย่างนี้มันก็แสนสบายเลยฮะนี่ไม่โดยไม่อยากได้อะไรแล้วตั้งแต่ร่างกายมเป็นที่รักใครทะนุถนอมมาแต่อ้อนได้ออกมันก็ยังไม่เที่ยงไม่ทนทานทาวร อ, อยู่แล้วแล้วสิ่งอื่นนอกจากขันทั้งห้านี่แล้วมันก็เหมือนกันะ แปรปวนเหมือนกันแตกตั้บเหมือนกันนี่เราพี่นาะดูให้เห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมือก็สามารถปรงลงได้วางลงได้อย่างที่ว่านั้นแหละจิตก็เป็นกลางอยู่ได้แล้วแบบนี้ใแ ต, ต่องพี่นาะให้มากนะทำความเพียรให้มากเพียรเพ่งพินิษให้มาก มันจึงคลายความยึดถือได้มันจึงคลายความกำหนัดจินดีได้จิตมันจึงลงเป็นกลางได้ไม่ใช่ว่าทำความเพียนพอดีพอไรมันจะปรงได้วางได้เลยอันนั้นมันก็ไม่อยู่หรอกโดยเฉพาะท่านผู้สร้างบารมีมา เต็มบริบูรณ์แล้วท่านผู้ใดสร้างบา ร, รมีมาเต็มบริบูรณ์แล้วท่านง่ายภาวนาทำความเพียปรปงสังขาร น, นามลูกหนี้ง่ายได้ไม่ลําบากเลยเพราะว่าบุญบา ร, รมีเต็มพร้อมบริบูรณ์แล้วเหตุนั้นมันจึงง่ายไอ้ผู้ที่บุญบา ร, รมียังไม่เต็ม อย่างนี้นี่อินทรียังไม่นั่นยังอ่อนอยู่มันก็เป็นธรรมดาเนี่ยจะให้ปรงสังขารนี้ลงให้เด็ดขาดลงไปทีเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่าอินทรียังอ่อนอยู่ดังนั้นเราก็ต้องเพียรพยายามภาวนาเพียรพยายามปรงเพียรพยายามวางเรื่อยไปอย่างนี้ เอาใครด่าว่าตีเตียนมาก็อดเอาทนเอาไม่ไม่ปล่อยให้ใจมันวันไหวไปตามคำสรรเสริญนินทาว่าร้ายต่างๆนานานี่วิธีที่จะพงจระวางได้นะถ้ายังวันไหวไปเ้วยองคำสรรเสริญนินทา ว่าร้ายต่างๆอยู่เนี่ยมันก็พงไม่ลงเลยขันหน้านี่วางไม่ลงก็แสดงว่าจิตในห่วงอยู่เต็มที่แล้วเปเยางนั้นฉ น, นพี่นาดูจิตใจตัวเองว่าตนเองพงขันหน้านี่ลงได้มากน้อยเพียงใดเราจะดูได้เมื่อเวลามีเหตุมากระทบอย่างว่านันเนี่ยมีเหตุมากระทบแล้วมันไม่บรนไหวมันรู้เท่าทัน ได้อะ น, นีนะ่เออมันก็เป็นลาบอันเประเศษแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักขนทางพ้นทุกข์ในวตาสงสารโดยแท้จริงดังแสดงมา